ขาดสติเมื่อไรก็ไปหลงอยู่ในโลกของความคิดพอไปหลงอยู่ในโลกของความคิดนะกายกระใจก็เป็นตัวเราขึ้นมานี่คนในโลกมันหลงตลอดชีวิตหลงมาแต่ไหนแต่ไรกเลยสะสมแต่ความรู้สึกผิดๆว่ามีเราไว้นี่เรามาหัดรู้สึกตัวขึ้นมารู้สึกตัวเมื่อไรเราก็หายไปทีหนึ่งในขณะเดียวกันเดี๋ยวเผลอขึ้นมาเราก็มีอีกสู้กันอย่างนะี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 สุขทาว้อนไม่มีในโลกสงบทาว้อนไม่มีในโลกมีแต่ชั่วคราวของชั่วคราวไปหวังว่าจะทาว้อนก็ล้มเหลวแต่ถ้ารู้ลงไปรู้ลงไปนะเห็นในยกายที่เคลื่อนไหวอยู่ก็ไม่ใช่ตัวเราความสุขความทุกข์ก็ไม่ใช่เรานะากุศลอกุศลไม่ใช่เราจิตที่ไปเกิดทางตาหูจมูกลิ้นกายใจจิตที่หนีไปคิดไปนึกอะไรเงี้ยไม่ใช่เรามันทำงานได้เองดูลงไปในมุมของไตรลักษณ์เนี้ยดูไปเรื่อย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 อีกหน่อยก็เห็นไอ้ตัวที่กําลังกระดุกกระดิกไม่ใช่เราสุขทุกข์ดีชั่วไม่ใช่เราจิตที่คิดนึกตรุงแต่งไม่ใช่เราดูไปเรื่อยๆแต่ถ้าไม่เคยฟังเรื่องไตรลักษณ์เลยฟังให้รู้สึกตัวอย่างเดียวนี่จะรู้สึกตัวเฉยๆไม่เดินตัญญาเง้นเวลามีสติขึ้นมาเฉยๆในะใจสงบใจเบิกบานมีความสุขมีมีสติขึ้นมาเป็นจิตที่เป็นกุศล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 รูไปเรื่อยๆนะอย่าอยากเหมือนเหลาไม้ที่บอกอยังไม่เข้ามาบอกคุณเพ็นสีเป็นสีรีบร้อนภาวนากลัวโอ้โเดี๋ยวจะไม่ทันการยิ่งกลัวยิ่งช้านะต้องใจเย็นๆครูบาอาจารย์แต่ก่อนท่านเทียบเหมือนคนเหลาไม้จะเอาไม้มาแกะสลักเป็นตัวอะไรสักตัวหนึ่งก็ค่อยๆแกะไปเหมือนเอาไม้มาแกะพระพุทธรูปอะไรเงี้ยนะค่อยๆแกะไปใจเย็นๆ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 หรดูเท่าที่รู้ได้เช่นนาะทีละสองครั้ง3มครั้งยังพอหน้าินดูบ้างสังเกต ด, ดูใจเราหลวงพ่อเคยให้กันบ้านนะคุณยาให้พวกเด็กๆไปมาเรียนบอกให้ไปทําดูไปลองนับดูว่า5นาทีเนี่ยเผลอกี่ครั้งเผลอไปคิดไปนึกเนี่ยกี่ครั้งหรือเผลอไปเพ่งไปจ้องกี่ครั้งแล้วหลวงพ่อก็พาดูเป็นตัวอย่างอ่ะหลงไปแล้วนะรู้ตัวได้แวบนึงเอาหลงอีกแล้วนะ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 ออไม่ใช่หลวง้่เอาคนคนหนึ่งนะไปเห็นมันเนี่ยไม่กลัวตายนะแต่กลัวบ้าตายแล้วตายเลยก็ช่างมันเถอะแต่ว่าแม้ถ้าเกิดเปรี้ยงมาแล้วบ้านี่นะมันลำบากนะมันลำบากคนอื่นอย่างเงี้ยใจต้อง ถ, งถึงถึงนะถึงจริงๆเลยอดทนอดกลั้นถึงที่สุดเลยงั้นภาวนาค่อยๆสะสมบา ร, รมีของเราไปแต่ละตัวแต่ละตัวสาคัญ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 ทีแรกเข้าใจของหยับหยบก่อนเข้าใจกายเข้าใจจิตใจที่มันหยับหยับนี่เห็นทุกอย่างเกิดระดับทุกอย่างเกิดระดับไม่มีตัวเราที่ถาวรเที่ยงแท้ขึ้นมาได้โสดาบันได้พระโสดาบันรู้แล้วกายนี้ใจนี้ยืมเข้ามาใช้นะแตกชี้งกไม่คืนพระโสดาบันยังชี้งกอยู่นะหวงหวงกายหวงใจพระส ก, กิทาคาก็ยังหวงนะหวงลดลงหน่อยหนึ่ง ถ้านาคาเนี่ยไม่ห่วงกายแล้เห็นเลยกายนี้เป็นก้อนทุกข์ล้วนๆเห็นอย่างนี้มันทุกข์ล้วนๆจะไปห่วงมันทําไมแต่คุณเยาหรือแม่ชีฟอนทํารู้สึกไหมกายนี้เป็นทุกข์บ้างเป็นสุขบ้างรู้สึกไหมมันเห็นอย่างนี้มันถึงวางไม่ได้มันต้องดูใจโอ้ยดูเข้าไปอย่างนั้นแหละรู้ลงไปรู้ว่ามีแต่ทุทกข์ล้วนๆเลยรู้อิริยาบทสี่ก็ว่ารู้ทุกข์เยอะนะนั่งปเดี๋ยวหนึ่งก็ทุกข์ใช่ไหม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 ความทุกข์นี่มันบีบคั้นอยู่ทุกลมหายใจเข้าออกเลยหายใจไปหายใจไปมีแต่ทุกข์ล้วนๆเลยแต่ถ้าทําสมถะนะหายใจเราก็เลิกหายใจไปนะไม่ทุกข์นะหายใจทีหนึ่งโอ๊ยกว่าจะหายใจครั้งหนึ่งนั้นนานมากเลยเวลาเราถูกกู้ายจับไปใส่ตู้นะอย่าตกใจ <c oughs> ทําใจให้แนวสบายนะสบายไม่ค่อยหายใจเรา อ, อยู่ได้นาน <c oughs> อันนั้นหยุดเพราะสมถะ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 ไปนั่งภาวนานั่งสำรวจใจของท่านแล้ววันนั้นก็จบกิจวันนั้นนี่ผ่านวันนั้นะอยังดีนะช้างมาช่วยนะอือ <c> อ <oughs> <c oughs> ืมใช่เร็วไปต้องเป็นหมื่นหมื่นกับเลยไนะ่งั้นท่านต้องไปอยู่กลุ่มวัโลกดูนะง่ายจริงจริง่งงายพูดไปพูดมาก็วกกลับมาเรื่องง่ายอีกหละ ครูบาอาจารย์เคยบอกหลวงพ่อมาทุกองเลยแทบทุกองค์ไม่ทุกองคบางองไม่ได้บอกว่าง่ายบางองค์ก็บอกให้ภาคเพียรเอาอย่างหลวงปู่สิมเนะี่ยให้สู้ตายนะให้นั่งขัดเพชรนะอะไรเงี้ยหลายองบอกว่าง่ายหลวงปู่ดูลหลวงปู่เทศจนองค์สุดท้ายหลวงปู่สุวัสด์ก็ว่าง่ายองค์นั้นก็ว่าง่ายองนี้ก็ว่าง่ายไอเวลาที่เราตะลุมบอลน่ะมันยากมันยากเราก็เฉลียวใจขึ้นมาไอครูบาอาจารย์ว่าง่ายนะ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 สู้ตายสู้สจิต ห, หลุดปุ๊บออกมาจบสัทีนะแต่ทําไมมันไม่มีปรากฏการณ์อะไรเลยอยู่อยู่มันหลุดเอาเฉยๆยเนี่ยอยู่ไปหลายหลาวันมันชักมัวมัวแล้วพระอราหันต์องค์นี้มัวได้อีกแล้วโอ้ไม่ใช่อีกแล้วผิดอีกแล้วนับหนึ่งใหม่ตกใจแล้วตกใจนับหนึ่งใหม่หายใจไปพุทธโธไปแล้วมาดูาใหม่ดูกายดูใจตั้งต้นอีก ตั้งต้นไม่นานนะจิตเนคนกว้าคนกว้ า, วาเหมือนก็รูดอีกอะ่ะเนี่ยซ้ําแล้วซ้ำอีกนะหลายรอบเลยจนกระทั่งใจเนี่ยมันเริ่มถอดใจถ่ามันทำไม่ได้แล้วชาตินี้มันคงได้แค่นี้แล้วเนี่ยมันถอดใจนะอมันถอดใจหลังจากที่สู้เต็มที่แล้วนะไม่ใช่พวกเราพอฟังอย่างนี้ชาตินี้ฉันทําไม่ได้แล้วแล้วก็มามองนะบรรลุว่าอย่างวะนะไม่ได้กินหรอกนะกินเลนไม่เชื่อหรอก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 ก็ไม่จบหรอกนอกจากรู้แจ้งแทงตลอดในอริยสัจแล้วเท่านะั้นถึงจะจบกิจอริยสัจเป็นธรรมที่ลึกที่สุดเลยหลวงพ่อเทศเรื่องอริยสัจเอาไว้เยอะนะอยู่ในซีดีแผ่นที่สิบหกกำลังจะออกเร็วๆนี้คัมมิ่งศูนย์นะ <c oughs> เลยรีบบอกคุณยาวเออยังไม่ออกเลยรีบบอกไว้ก่อนอีกประมาณสองอาทิตย์ถึงจะออก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 ถ้ามันรู้ทุกข์มันจะหมดความยึดถือในกายเมื่อมันหมดความยึดถือในกายเนี่ยรบนทั้งหมดในใจด้วยนะไม่ยึดอะไรเลยมันจะหมดความดิ้นรนจิตจะไม่ปรุงแต่งเลยตัญหาจะไม่เกิดขึ้นงั้นรู้ทุกข์แกมแจ้งเมื่อไหร่นะสมูทไทถึงจะถูกละพวกเราไม่เข้าใจนะตรงนี้รู้ทุกข์แล้วสมูทไทยถูกละเรารู้แต่ว่าถ้าละสมูทไทแล้วก็ไม่ทุกข์ถ้ามีสมูทไทยเราทุกข์อย่างใจเราภาวนารู้สึกไหมมีความอยากเกิดขึ้นมาก็ดินด้นดิ้นเราทุกข์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 เหมือนแม่ก็เข้าหูขวาออกหูซ้ายเข้าสองหูออกมันสองหูเลยนะผมไม่เข้าทีละหูหรอกท่านพูดเรื่อยๆเลยว่ารู้ทุกข์ก็เป็นอนุราชสมุทยัยเราฟังแล้วก็เปลี่นเปนนะฟังแล้วเปลนเนโอ้โหโตที่เข้าใจรู้ทุกข์นี่มันเห็นการละสมุทยัยแล้วแจ้งนิโรธเนี่ยนึกไม่ถึงขนาดท่านทิ้งร่องรอยไว้ให้นะทิ้งร่องรอยไว้ให้รู ป, รปลุบคลำๆเนี่ยไม่ใช่ง่าย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 มันถูกความทุกข์บีบคั้นอยู่ตลอดเวลาดูลงไปแค่นี้แหละไม่ยากหรอกแต่ว่าปางตายไม่ยากชาตินี้นะเอาให้ได้โสดาก็ยังดีได้โสดาแล้วก็ปลอดภัยหน่อยไปทำต่อในสวรรค์ทำได้นะนี่พวกที่ถนัดดูจิตนี่ไปต่อในสวรรค์ในพรหมโลกได้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 ยังไม่ไปหรอกนะ <c oughs> ยังฝังเข็มอยู่ยัง <c oughs> อ้าวใครมีการบ้านชมพูตรงกรันอ้าวคู่นี้ก่อนมาอยู่ด้วยละมีไหมออรู้สึกเป็นสติเริ่มเป็นอัตโนมัติมากขึ้นครับแล้วก็มันมีมีามอาการชืดชืระหว่างทั้งทั้งสุขกับทุกข์ลงลงมาดีแล้วนะ เนี่ยฝักสติปัญญามันอัตโนมัติขึ้นมาเห็นทุกอย่างเกิดแล้วดับเลยสุขกับทุกข์ดีกับชั่วชักใกล้เคียงกันนะใกล้เคียงกันนะจิตเขาตั้งมั่นอย่างเงี้ยเสร็จแล้วจิตเขารู้สึกไร้สาระไปหมดเลยเหนื่อยเนื่อยไปเบื่อเบื่อไปให้รู้ทันตัวนี้ตัวนี้มันเป็นยานระดับกลางๆถ้าพูดด้วยโสรลยานใจมันจะเนื่อยเนื่อยไปนิดรู้ทันมันลงไปแล้วก็แยกความเนือยมันก็ออกไปใจมันก็ตั้งมั่นมีความสุขอยู่ แล้วก็รู้มันไปอีกรู้ไปเรื่อยจนทั้งนั้นมันฉลาดเมือมันฉลาดนั้นมันเป็นกลางแล้วไม่ดิ้นเอาไม่ดิ้นเนี่ยเข้าถึงธรรมะไม่ยากหรอกนะไม่ยากแต่มันดิ้นไม่เลิกหรอกมันดิ้นดิ้นดิ้นจนถึงนาทีที่มันจะแตกหากมันลืมดิ้นไปมันลืมดิ้นมันดิ้นจนมันลืมไปล้คือมันจะต้องฝึกจนสติอัตโนมัติ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 เราไปเห็นสภาวธรรมเกิดดับไม่มีชื่อตรง น, นี้ไม่รู้ว่าคืออะไรรู้แต่ว่าสิ่งบางสิ่งเกิดแล้วดับเนี่ยเห็นอยู่สองสาขณะนะจิตจะทวนเข้าหาธาตุรู้แล้วตัดให้เราฝึกไปเรื่อยจนสติมันอัตโนมัติเนี่ยไม่อัตโนมัติแล้วหนีไปแล้วรู้สึกไหมไหลซึมๆไปเฉยๆนู่นบังคับไว้เบอร์ v 18บบังคับไว้ไม่บังคับนะอ่ะส่งมาทางนี้หน่อย เอาว่างไงส่งกันบ้านวันนี้จะกลับวัดได้จากจากวัดละเมื่อวันจันทร์ตอนที่เดินจงกรมช่วงบ่ายบนสารานเนี่เจ้าค่ะเพิ่งเริ่มเดินใช้สักครู่หนึ่งเห็นเวทนามันแตกดับไปทุกทีมันจะแค่แยกเจ้าค่ะแต่มันดับก็ก็ดูรู้เฉยเฉยรู้เฉยเยก็เดินก็ปกติเจ้าค่ะคราวนี้เมื่อตอนหัวค่ําตอนนั่งภาวานาที่ลานหลวงกุดุล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 มาความคิดมันเกิดตัวเราหายไปตรงนี้มันถอนเรียบร้อยเราไม่ต้องตกใจนะไม่ใช่ว่าแหมมันไม่น่าคิดเลยเลยถอยออกมาเพราะมันไปคิดแล้วมันถึงถอยเราไปคิดปุ๊บมันก็เกิดความจงใจไปหมายรู้วนะิญญาณก็หยั่งลงสู่กายแม้มันมีเจตนาก่อนตัวเจตนาคือตัวสังขารพอมีเจตนาขึ้นมาสังขารเป็นปัจจัยของวิญญาณความรับรู้ก็หยั่งลง ความยัรับรู้อย่างลงในรูปขึ้นมาร่างกายก็ปรากฏความรับรู้อย่างลงในนามนะความรู้สึกนึกคิดต่างๆแต่ละเรื่องแต่ละเรื่องก็ปรากฏขึ้นมานั้นสังขารเลยเป็นปัจจัยของวิญญาณวิญญาณเป็นปัจจัยของนามรูปมันก็ย่างลงมาให้เราดูนี่มันแสดงตัวอย่างให้ดูตอนนี้ฟุงเจ้าค่ะแล้วจิตกระดิ้นพลาดพลาดมันไปทําอะไรมามันดิ้นพลาดพลาด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 ที่รู้ทันมันนะมีอีกตัวหนึ่งที่ซ่อนอยู่คือโทสะตอนนี้มีโทสะแฝงไว้อยู่เรื่อยๆแล้วก็รู้ทันมันไปนะปะใจมันมีโทสะมันจะทยานออกไปเรื่อยๆทยานไปเอาเรื่องอนะใครนั่งใกล้ๆระวังนะ <c oughs> <c oughs> นี่พวกเราที่เวลาโทรศัพท์มาถามว่าวัดเปิดวัดปิดนะเนี่ยเด็กผู้หญิงคนนี้แหละเป็นคนตอบนะงันอย่าไปด่าเขานะ บางคนเอาแต่ใจโทรมาถามแล้วไปว่าเขาเอีกนะจนคนรับหน้าที่นี้ของหลวงพ่อนี้นะโรคประสาทตีกลิ่นน่าสงสารเนี่ยดูหน้าตาก็น่าสงสารนะงั้นอย่าไปว่าเขานะชมพูดูเรื่อยๆนะว่างๆมาอยู่บัดบ้างมันห่างเวทีไปใจมันเรื้อรังแนละ้วอา้าวูก็เห็นว่า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 มันจิตมันแช่แช่อะค่ะมันขี้เกียร์มันนิ่งๆตลอดมันมีโมหะนะเป็นอย่างนี้ทั้งวันไหมก็เกือบทั้งวันเลหรอไม่ดีซึมๆไม่ดีนะา้หาอะไรมาทําให้จิตใจมันคึกคักบ้างถ้าเป็นพระนะพระยังไปเดินทุดงเปลี่ยนบรรยากาศอยู่แถวนี้จําได้แล้วงูมันอยู่ตรงนี้อะไรงไม่กลัวละไปเดินที่อื่นบ้างไปเจอตัวอื่นบ้าง ยุนี้ของเรามันไม่ค่อยมีผัสสะของธรรมชาติเท่าไหร่นะน้อยครูบาจารย์แต่ก่อนอยู่ในป่าเนี่ยมันฝึกสติถ้าเผลอนิดเดียวนะเดี๋ยวโดนอะไรกัดเอาละของเราอยู่ในเมืองโดนสิ่งแวดล้อมในเมืองกัดนะมันไม่เจ็บนะ <c oughs> ว่าไงว่าไงไปถึงไหนละเดี๋ยวนะหนุ่มนี่ใช้ได้นะผู้ชายเนี่ย แล้วรู้ไปเรื่อยรู้ไปธรรมดาอย่างเงี้ยไม่ต้องไปฝืนแกล้งทําเป็นคนดีนะอไม่ต้องแกล้งเรียบร้อยไม่ต้องแกล้งหลยเราเป็นยังไงดูเป็นยังไงนี่คงไม่ค่อยเข้าคอร์สมั้ ง, งหรือไงเข้าไหมคอร์อสที่ไม่บีบคั้นน่าดีแล้วบุญแล้วไม่ต้องมานั่งแก้ดูไปนะดูไปสบายๆจริงๆต้องสบาย เราเรียนรู้ตัวเองไม่ใช่เรียนฝึกบังคับตัวเองอย่างตอนนี้ใจหนีไปแล้วรู้สึกไหมเวลาใจเราไหลไปแล้วเราไอยรู้ทันใจมันหนีแวบแวบเปร็ระยะระยะนีวิคิดเนะีย่ยไปแล้วรู้สึกไหมหนีไปแล้วเนีย่ยไปอีกแล้วรู้สึกไหมเนี่ยหลวงพ่อพาให้ดูเป็นตัวอย่างนะแล้วเดี๋ยวลองไปนับดูว่า5้านาทีนี้กี่ครั้งเป็นร้อยเลยไปอีกแล้วรู้สึกไหม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 ดูอย่างนี้นะรู้ลงไปรู้ทันตัวเองไปเรื่อยเป็นระยะระยะอ้างคุณเนงเชิญวันนี้จิตไม่ค่อยตั้งมั่นจะกระจายหน่อยๆสิคะอืมตอบถูกแต่จิตใช้ได้นะเมือม่อเมือ่อกลางสัปดาห์นะคะไปฟังเทปหลวงพ่อมีความรู้สึกซาบซึ้งกับคํานี้มากเลยนะคะว่าจิตก็ไม่ได้ทุกเองกายก็ไม่ได้ทุกเองอะ่ะคือฟังมาหลายรอบก็ไม่เข้าใจตอนนี้ค่อยๆเริ่มเข้าใจขึ้นมานิดหน่อยะดีนะก็เข้าใจเอาเองนะอ่ะต่อไปยิง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 ไปดูนะดูลองจับเวลาไว้ห้านาทีนะนะดูได้กี่ครั้งถ้าได้สักห้าสิบครั้งอะไรนี้เออยังพอใช้ได้ลนะถ้าได้สักร้อยครั้งกำลังดีอาพี่ชายช่วงที่ผ่านมามันเผลอถลำเข้าไปมองครับแล้วบางทีก็ถลำลงไปแช่แล้วก็บางช่วงก็เผลอไปแทรกแซงบ้างคนะแต่ไม่มากแล้วก็รู้สึกความเป็นกลางมันก็น้อยลงครับก็เห็นได้ว่ามันเสื่อมได้ครับ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 เหมือนอาศัยการเดินนั่นเองอาศัยการเดินเป็นเครื่องช่วยแต่เดินไปเดินไปพอเหนือน่อยๆบางทีจิตมันก็จ้าขึ้นมาเฉยๆนะมันก็ไม่ถึงฐานเหมือนกันงั้นเราก็ต้องคอยสังเกตอ่ะมีรูปแบบไว้อันหนึง่งเป็นตัวช่วยเราแต่ต้องสังเกตอีกอ่ะไม่ใช่ไว้ใจรูปแบบนะไว้ใจไม่ได้สักอย่างเรียกว่าอย่าไว้ใจตัวเองแ <c oughs> ง่รินว่าไงรินรู้สึกว่าความรู้สึกตัวของรินนะคะมันมี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 อย่างวันนี้ก็ชัดกว่าวันก่อนที่มาค่ะแต่ว่าไม่ถึงฐานไม่ถึงฐานอีกแล้วต้องสมทบใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่หลวงพ่ใช้คําว่าไงดีถึงจะสื่อยังกดอยู่รู้สึกไหมแต่ขมงไหมตอนเนี้ใจไม่เป็นธรรมดารู้สึกไหมใจไม่ธรรมดาไม่รู้สึกค่ะไม่รู้สึกอรืรู้สึกว่าธรรมดาแล้วอย่างตอนเนี้ยจริงๆมันออกนอกนิดๆมันยังไม่เข้าที่เต็มที่อ่ะที่ว่ารู้ตัว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 รู้สึกว่ากลับมาประคองเป็นระยะนะเจ้าค่ะจุ๋มหลวงพอ่อแต่ว่าความเป็นกลางคือใจที่ดิ้นรนอยากมันน้อยลงอะเจ้าค่ะถูกแล้วใช้ได้แล้วก็ยังมีซึมซึมอยู่บางอะเจ้าค่ะหลวงพอ่อรู้สึกไหมจิตใจวันนี้เราก็สว่างดีเจ้าค่ะแต่<ม>ว่า<ด>มั น, ม, นมันไม่มันเหมือนไม่แน่ใจว่าคําว่าไม่ถึงฐานที่หลวงพ่อบอกหรือเปล่าอะเจ้าค่ะคือบางทีมันเห็นไม่ชัดมากอะเจ้าค่ะเออมันเห็นไม่ชัดแต่วันนี้ใช้ได้ทอน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 เนี่ก็รู้ว่าบังคับรู้อย่างที่เขาเป็นอส่งมาข้างหน้าหนะ่อยข้างหน้าเงยหลงอยู่โวอยู่นิดนึงก็เพิ่มกระเพิ่มนิดนิ ด, นดะครับหลวงพ่อเวลาเจอหลวงพ่อมันจิตนี้มันรู้สึกกลัวหลวงพ่อครับแต่ว่าก็รู้สึกว่ามันเป็นปกติอืก็คือรู้รู้คือตั้งแต่มันมานั่งเนี้ยมันกระเพิ่มตลอดแต่ก็รู้อะครับจิตมันกระเพิ่มไม่เคยหยุดหรอกไม่ว่าไปนั่งที่ไหน กับเพิ่มเล็กๆนะจะเหลือไหวๆอยู่นิดนึงจะไหวๆดูออกไหมครับจะไหวๆไปทั้งวันแต่และดูอยู่อย่างนี้ใช้ได้แล้ะเราไม่ได้ถลําลงไปดูครับดูอยู่ห่างๆอย่างนี้ใช้ได้ก็ปฏิบัติอย่างนี้ต่อไปใช่ไหมครับหลวงพ่อดีละรู้สึกไหมใจเราเหมือนมันตื่นมากขึ้นมากขึ้นครับแต่อย่าให้ตื่นแบบแข็งๆนะก็ดูอยู่เรื่อยๆครับแต่ว่าไม่เห็นการเปลี่ยนแปลงก็เลยไม่รู้ว่าที่ทําไปมันถูกหรือผิดหรอกจิตใจตอนนี้มันซึมๆรู้สึกไหม นำ่อยอะไรนะครับเออมันซึมอยู่ถ้ามันซึมอยู่มันไม่เห็นอะไรก็จะนิ่งๆอยู่ครับให้เรารู้ทันไปใจที่ซึมๆนะเราไม่ชอบก็ให้รู้ไปนะการมนมสการหลวงพ่อครับจะผมปฏิบัติไปจนหนักๆตรงกดข่มบังคั บ, คบแล้วก็ระแวงสงสัยอืดีดีเนี่ยกิเลสเกิดบ่อยอย่างวันๆนึง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 ใจิตใจปลอดโปร่งโล่งเบาสบายจกนกระทั่งไปถึงตัวผู้รู้ที่แท้ตัวนตัวนี้มีความสุขอยู่ทั้งวันทั้งคืนเลยสว่างแจ่มใสอยู่งั้นนะตามรู้ตามดูไม่นิ่งนอนใจนะมันจะพลิกจากตัวสว่างของใสนันพลิกเสียหายย่ำเยินทุกล้วนล้วนเลยคราวนี้อันน้เอาไว้ขั้นเป็นผ้านนาคาแล้วก็เห็นมันต้องเดินอรหัตมรักดีแล้วตอนนี้ภาวนานแล้วมีแต่ความสุข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 ใจไหลไปหนีไปคิดให้รู้ทันมันนะครับแล้วก็บางทีแบบพอเราระ ล, ลึกรู้พุโทโธอย่างเงี้ยแล้วก็เราจะเหมือนกับมึนๆที่หนาา้าผากตุบๆ บ, บ, บ, บ, บางทีก็หายใจติดขาดแบบอย่างที่หลวงพ่อบอกว่าพอหายใจแล้วมันจะทุกข์เงี้ยมันทุกข์จริงๆเลยครับคือหายใจเข้าแล้วอึดอัดมากเลยต้องหายใจออกก็อึดอัดอีกอืมอย่างเงี้ยครับอย่างนี้ก็อย่าไปจงใจหายใจหายใจเล่นๆหายใจตามธรรมดาของเราอย่างเงี้ย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 ดูเล่นลนไปดูเท่าที่ดูได้เผลอไปแล้วคอยรู้สึกเผลอแล้วคอยรู้สึกเนี่ยหนีไปคิดอีกแล้วทราบไหมเอาไปดูนะไปดู<อ>เรียน<อ>ทีเดียวมากๆเดี๋ยวเครียดครั้งที่แล้วมาที่หลวงพ่อแนะนำว่าให้ให้นั่งสมาคือนั่งสมาธิให้มากขึ้นนิดนึงนะครับก็คือพหลังจากนั่งสมาธิแล้วเนี่ยคือคื อ, อย่อมบางครั้งว่าไปสดมนตจะนั่งก่อนนอนอะไรอย่างเงี้ยนะคะ คื อ, อยาางทีนั่งนั่งไปเนี่ยสมมุติปิติมันเกิดมันก็มันก็คือรู้แล้วมันก็หลุดไปเลยอะ่ะ<อ>มันก็เลยเหมือนม่วมวคื อ, ค, อคือไม่รู้ว่าจะจะดูจิตหรือว่าจะนั่งสมาธิอะครับไม่เป็นไรคือครเรานั่งไปนะทําสมถะอยู่่ปิติมันเกิดสติปัญญาของเราลงไปห ล, ลึกรู้ก็ขาดสะบั้นตรงนั้นเลยใช่ไหมจิตก็มีความสงบสุขอยู่เราก็รู้ว่าจิตมีความสงบสุขอยู่พอไปสติไปรู้จิตที่สงบสุขนะความสงบสุขก็ดับลงอีกเป็นอุเบกขา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 ต่อไปจิตใจเรามีความสุขเราก็จะรู้ทุกนะู้รู้นะดีชั่วรู้หมดเลยนะดีแล้วใคฝึก ไ, ไปเรียนมาจากไหนพุทโธคือพอดีไปภาวนาที่วัดป่าบ้านตาดค่ะเออก็ดีแล้วกพอดีพอดีหลานเข้อาซีดีของหลงพ่อให้ฟังแล้วก็อยากจะรู้ว่าเอ๊ะภาวนาถูกทางหรือเปล่าถูกเลยวันนี้มาเชียงมาจากเชียงรายค่ะคือง่วงนอนสุดสุอคอ้ภ <c oughs> าวนาถูกพุทโธไปเรื่อยๆนะอย่าทิ้งพุทโธ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 เนี่ยเป็นจิตผู้คิดอีกแล้วรู้สึกไหมบังคับไม่ได้ไม่ได้ฝึกบังคับนะอ่ะดีละบ้านตัดคนเยอะเนี่เต้นเต้นนะครับอืมดชีช่วงนี้นานๆจะรู้ตัวทีหนึ่งอะคะเหรออให้มันบ่อยๆหน่อยนะอย่าขี้เหนียวนันก็พ <c oughs> ยายามเนี่ยใจหนีไปคิดแล้วคอยรู้ไป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 เราต้องไหว้พระสวดมนต์ทำสมาธิเดินจงกรมอะไรเงี้ยหางานมาทำมันหนึ่งก่อนเพราะจิตใจของเราเนี่ยถ้าไม่มีงานมาทำเป็นเครื่องอยู่ของมันมันจะร่อนเร่ไปแต่จิตใจร่อนเร่แล้วมันพัฒนาไม่ได้เพราะนั้นหางานทำก่อนจะรู้ลมหายใจก็ได้จะพุทโธก็ได้จะเดินจงกรมก็ได้แต่อย่าให้ซึมนะไม่ใช่พุทโธพุทโธหรือหายใจแล้วก็ซึมเคลิมงี้ไม่เอานะพวกเราชาววัดป่าชอบนั่งแล้วก็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 มันก็ดีนะแต่ว่ามันซึมมากไปมันไม่มีกำลังเจ้าค่ะหลวง่อจะขาดในนิดเดียวนะไม่ได้ขาดเยอะนะแรงเนี่ยแรงอ่อนไปนิดหน่อยไม่ต้องไปเพิ่มกำลังแรงกว่านี้มากนักนะเดี๋ยวแรงเกินไปก็แค่สตรมนต์ธรรมดามนะเจ้าค่ะใช่เอาคุณรั ต, ตนีแบบนั้นก็เจ้าค่ะรู้สึกที่ผ่านมามันมีแต่ทุกข์เจ้าค่ะอืม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 โอ้ได้หลายสิบผลเลยเหรอครับแล้วก็อยู่กับพุโทโธไปเรื่อยๆครับแล้วก็ดูดไปเรื่อยๆครับดีแล้วคุณเพ็นสีจิตดีกว่าเมื่อเช้าดูออกไหมเออนะเข้าใกล้แล้วเครียด <c oughs> ดีเอ่อ <c oughs> อ่ ะ, อะช่วงนี้มันเสื่อมไปนิดนะคะแล้วก็มันอยากให้ดีขึ้นเลย อ, ะอะ่ะอยากให้ดีมก็เสื่อมหนักแหละ <c oughs> นี่ชมพูนี่เคยเสื่อม ล้วอยากให้ดีนะดิ้นใหญ่เลยเสื่อมไปสองเดือนถ้าเสื่อมเราไม่ดิ้นนะเสื่อมล้วเราก็รู้อยากให้หายเราก็รู้ใจเป็นกลางพอใจเป็นกลางแล้วดีเลยน้องไงแล้ววันนี้ก็รู้สึกดีขึ้นมันอันทันว่าขึ้นนะคะทันว่าอยากอยากให้ดีขึ้นอะไรเงี้ยมันก็รู้สึกเบาลงอะคะ่ะอย่างบังคับตัวเองนะ วันนี้กายมันไม่ค่อยจะดีอะค่ะใจมันก็เลยเปรียร้ ย, ยตามอะค่ะหลวงพอกลับถูกแล้วแต่ว่าดีนะใช้ได้ดูรู้แล้วใช้ได้ไม่ทําไมมาหมูนี้ป้ามอะ่ะอ อ, อยู่บ้านก็ทํางานบ้านพยายามตามดูไปอะค่ะนะแต่บางทีก็รู้สึกเ อ, อ๊ะว่างๆจับอะไรไม่ค่อยได้แต่ก็ดูว่างไปเรื่อยอะค่ะ ทำอะไรไม่ถูกนะพูดโถไว้ก็ยังดีที่ภาวนาอยู่ตอนนี้ใช้ได้นะดีจิตใจมันไม่โลดโผนดิน้นรนรู้สึกไหมก็ดูตามปกติอะค่ะีลองมั่งก็ขึ้นตอนนี้บั ง, บงคับตัวเองดูออกไหมเกินจริงค่ะแล้วก็มีซึมเป็นบางครั้งค่ะดหลงวงพ่อค่ะฝึกเดินจงกรมไ ม, ไม่ไม่ทราบว่าเดินถูกรึเปล่าเดนให้ดูสิ <laughs> <laughs> อยรู้ก็มาเดินให้ดู <laughs> ม, ามาเดินนี่ไหม ไ ม, ไม่เอาเหรอเอา้าใจไม่ถึงเวเวลาที่ทําสมาธิอนะคะเวลาเวลาทําสมาไอ้สมาธินะค ะ, ม, ม, าา ะ, คะมันจะนิ่งอยู่แป๊บหนึ่งแล้วเดี๋ยวมันก็ฟุ้งอืมคือบางคนเนี่ยเป็นพวกที่มีปัญญากล้าพวกที่มีปัญญากล้าเนี่ยเวลาจิตสงบนะไม่สงบนานเดี๋ยวก็จะฟุ้งมาทํางานอีก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 มันก็หยุดช่วคราวแล้วเดี๋ยวก็ฟุ้งใหม่อ่ายังมีเหตุอยู่<ะ>คค้นคว้าไปอีกฟุ้งไปอีกห้ามมันไม่ได้แล้วเวลาอย่างถ้าตอนเช้าตอนเย็นเนี้ยก็จะค่อนข้างรู้สึกตัวได้บ่อยอะนะะแต่เวลาช่วงกลางวันนี่ก็จะเผลอยาวอะค่ะกลางวันนะงีบสั้นๆนิดหนึ่งก็ได้หลวงพ่อใจดีเห็นไหม<ะ>มันง่วงมัวสัวไม่รู้เรื่องนะ แอบไปงีบสักห้านาทีสิบนาทีเนี่ยตื่นขึ้นมาสดชื่นดูง่ายไป ค, คือเราไม่รู้ตัวว่าเราเผลอนะคะมารู้อีกทีก็เย็นแล้วอะไรอย่างเงี้ยนั่นแหละเราฟึ๊บเวลาใจเราซึมลงไปนะมันฟุ้งดูไม่ออกนะถ้าทำสมาธิได้เราทำสมาธิให้ใจพักนี่บางคนทำสมาธิไม่ได้ไปงีบสักนิดหนึ่ง<ม>คล้ายๆเราตัดช่วงชีวิตเราให้ขาดตอนลงไม่งั้นมันจะฟุง้งยาวถึงเย็นเลยแอบไปพักนิดหนึ่ง ถ้าทำสมาธิได้ก็พักในสมาธิทำไม่ได้นะั้นอนมันสัก น, นิดหนึ่งนี่กรรมฐานวัดหลวงพ่อการนอนก็เป็นกรรมฐานนะแต่ไม่ใช่นอนเอาซึ่งงีบหนึ่งหกชั่วโมงตื่นมาอีกทีอ้าวดึกแล้วนี่นอนต่อเลยนะ <c oughs> เยอะไปนหน่อยคือว่าเออบางทีกลัวมันจะหลงไปนะคะก็คอยจี้เอาไว้อ่ะคะ่ะคอยจี้มันติดๆแล้วมันก็จะหนักๆแล้วก็ปวดหัวค่ะอธรรมดานะจ <c oughs> ีจี้มัน แล้วพอปล่อยปล่อยตามสบายมันก็จะหลงไปเลยมันจะสุดตรงสองข้างใช่ไหมพอปล่อยก็หนีไปเลยคพอจี้ไว้ก็เครียดในสิ่งที่ผิดมีสองอันเพราะฉะนั้นต่อไปนี้ฝึกใหม่นะฝึกอย่าไปจี้แรงท้องพุทโธไว้ก็ได้พุทโธพุทโธเล่นเล่นหรือสวดมนต์ก็ได้เราหั่นซัมมาอะไรเงี้ยไม่ต้องสวดยาวหรอกค่ะสวดแค่บทสองบทก็พอสวดไปแล้วก็ดูใจของเราไปใจเป็นสุขใจเป็นทุกข์เป็นกุศลอกุศลก็ดูไป น ะ, ะไม่ได้บัคคับให้นิ่งน ะ, ะแก้อย่างนี้ใช่ไหมคะ่ะใช่เดีย๋ยวไปคม <comment. S 2> มันนมัสการเจ้าค่ะคือเวลาเราตามดูตามดูจิตอย่างนี้ค่ะแล้วบางทีเราก็ไปคิดว่าเอ๊สภาพที่เรารู้เนี่ยเราจะพัฒนายังไงให้เป็นให้รู้ว่ากำลังสงสัยอยู่รู้ลงปัจจุบันไปเลย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 ครับนวัสการหลวงพ่อค่ะปกติแล้วเคยทําสมาธิอะค่ะแต่ว่าเรช่วงหลังนี้พอตามดูตามรู้แล้วก็สมาธิก็ไม่ค่อยจะตั้งมั่นเหมือนเหมือนที่เคยทํานะคะแต่พอพอตามดูตามรู้แล้วรู้สึกว่าเใจมันตื่นดีเบิกบานดีแล้วก็จ้องดูแต่ความเบิกบานที่มันเกิดขึ้นนะคะก็อย่าทิ้งสมาธิเสทีเดียวนะแบ่งเวลาวันหนึ่งก็แบ่งหนาทีสิบนาทีก็ยังดีเจค่ะไม่งั้นเดี๋ยวใจมันฟุ้งซ่านไป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 คุยกับคุณเป็นสีไว้ก็แล้วนเดี๋ยวได้แค่นี้นะนี่มาบ่อยแล้วกันอนเชิญโยมไป